จากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อทมอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับธรรมบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนสูงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันทำไมคับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราเร้วยกิเลสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตา ระหนึไม่มีความสามารถหักข้ามตามแก้มันให้ไปได้เลยพอเวลาเข้าที่ขับขันจนมุมจริงๆกําลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกําหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับธรรมบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดือดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบเข้า แต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสําหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนเหมือนกันเพราะจิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทําให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทําให้กิเลสชนิดต่างๆ ยอมจำนวนหมอราบและสิ้นศูนย์ไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยอยาดจึงมักเชื่อทกการทรมานชนิดเก็บหยาบเพื่อให้ท่านกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติยาบที่นอยู่ในตนด่านคราวช่างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกําลังเดินจงพรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอํานาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราพู้จะฆ่ามันให้จิบหายสิ้นซากไป แต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นเกล็นอาสวะที่เก่อกินเรามานานเสียด้วยซ้ําแต่พอเข้าตาจนได้ได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้า น, านทานความเพียนเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับทำบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดเล่ากับน้ํามันเครื่องหล่อเลื่อนไม่าฟาฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจทำที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกัน ก็แสดงความสว่างสวยและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นให้ได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบภายหน้าไปไหนจึงทําให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงรวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทําให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีก ตามความมีอยู่ของมันแม้เช่นนั้นก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่หน่ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งนี้ต่างหจึงไม่ทําใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่เราแล้วมาและพยายามกำจัดมันออกทุกขระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มาในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สิ้นสุดไปจากใจนั่นแหลจึงจะนอนใจได้อยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่า คนเราถวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระไัยและพระเมตตาจริงๆคําว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆดังพุทธบริษัทครั้งพุทธกาล ร, รู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยดังต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาๆเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้ ขัดกับครั้งพุทธการโดยทางมักทางผลอยู่เวลานี้ก็เพราะเราเองทํำตรงให้ขัดต่อทางดําเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่ไม่ได้สนใจกับเหตุคือวิธีดําเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดําเนินเพื่อมักผลที่ผ่านอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสําเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสําเร็จในขั้นใด ข, ขั้นหนึ่งตามกําลังสติปัญญาของตนแน่นอนเพราะ ครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้พอเป็นสมัยที่กิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกันดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคําที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านด้วยแล้วความเชื่อมันก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและสแสวงธรรม ทันทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีไม่ได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรูโนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกําลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ธรรมถ้าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบ โดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทําให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบําเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทูลกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้น ท่านจึงสอนให้หลบปลีด ป, ปีตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทําให้กิเลส ท, ที่มีอยู่ภายในกําเริบลำพองมีรูปเสียงเป็ตนต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกําจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตฏะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การสแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสําหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระไทยประทานไว้เพื่อหมู่ชน เพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแป ล, ปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสังสมกาลังเพื่อทาลายตนโดยไม่รู้สึก การแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทัน ท, ท่วงทีกิเลสจ้งไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกําลังขึ้นทําลายกิจแธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นพัยต้องเป็นผู้มีสติร ะ, ะลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลังพล้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลังพล้งเผลอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กําเริบราพอง และทําความพยายามกําจัดป่าเปล่าด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดกิดกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือปาชาเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตะปะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทําทลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตต์หลุดพ้นก็ดีและคําว่ากิเลสเสื่อมอํานาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลําดับไม่กําหนดสถานที่เวลานาทีก็ดี หรือกิเลสตายไปจนดลสิ้นภายในใจพอดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบครอบนั่นแหลไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโรซาไว้อย่างถึงใจว่าทำเจริญหน้าที่ใดกิเลสย่อมซึมระดับศูญไปหน้าที่นั้นคําว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าายในสนามรบคือที่ใจ โดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อใช้ชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยคแข่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหนเรรวนว่ากิเลส ก, กองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะกิ้ตะกายและลูกๆคลำๆเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนได้ถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลาย ที่มีเคยรู้เคยเห็นมา ก, ก่อนแสดงขึ้นหน้าที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขติใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตยอยู่แห่งธรรมและกิเลส ท, ทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอํานาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกสังสารที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิชิดแม้เครื่องมือทําการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถ ยิ่งไปกว่านี้โรธกับมรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไผ่สนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคล ใ, ใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลตกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของาศาสดาผู้ประธานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยําตลอดมานี้เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลจากคราวนั้นมาแล้ว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 แต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นเก่นอาสวะที่ก่อกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนได้ได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเลส ต, ตัวดื้อด้านต้านทานความเพียนเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกน่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดเล่ากับน้ํามันเครื่องหล่อเลืน่นไม่ฟ้าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจทมที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกัน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 คนเราถวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใครใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระไทยและพระเมตตาจริงๆคําว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆดังพุทธปริศต์ครั้งพุทธการรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยยามต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาธรรมาเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธการนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้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 ฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีดปลีตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทําให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกําเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นตน้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกําจัดกิเลสชนิดต่งตางๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอ่านเป็นการย่นวัตฏะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การสแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสําหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจับพระไทยประทานไว้เพื่อหมู่ชน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 หรือกิเลสตายไปจำนวนสิ้นภายในใจพอดีจะปรากฏประจักษ์ดับใจในสถานที่บังเพ็นอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบครอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดระดับของกิเลสทั้งมวลโรซาไว้อย่างถึงใจว่าทําเจริญหน้าที่ใดกิเลสย่อมเสรมระดับสูญไปณที่นั้นคําว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าข่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจ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 ที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมา ก, ก่อนแสดงขึ้นหน้าที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงคัติใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตยอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเด็นสิ่งที่มีอํานาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกสงังสารที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิชิดแม้เครื่องมือทําการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถ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 วาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีกตามความมีอยู่ของมันแม้เช่นั้นก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าควางกลัวนี้ไม่ใช่หน้ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งมิตรต่างจึงไม่ทําใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่เราแล้วมาและพยายามกำจัดมันออกทุ ก, กวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มาในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สิ้นสุดไปจากใจนั่นแหลจึงจะนอนใจได้อยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้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 ไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กําเริบลำพองและทําความพยายามกําจัดปักเป่าด้วยสติปัญญาสัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดกิดกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือปาชาเผาผลาญกิเลส ท, ทั้งมวลด้วยตะปะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทําทลายคาว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตต์หลุดพ้นก็ดีและคําว่ากิเลสเสื่อมอํานาจก็ดี